ท่านที่เป็นอรหันต์ท่านตอบคําถามที่ถามว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรอาหางการมัมังการและมานานุใสในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้แล้วก็สัพพานิมิตรทั้งหลายทั้งปวงภายนอกจึงจะถูกถอนขึ้นได้ท่านตอบว่าท่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าและได้ความเลื่อมใสแล้วมาบวชบวชแล้วก็ฝึกฝน ตามศีกขาและสาชีวะของภิกษุทั้งหลายก็คือเป็นผู้มีศีลนั่นเองนะการเป็นผู้มีศีลก็คือการงดเว้นอันไหนที่มันไม่ดีออกไปด้านกายด้านวาจาแล้วก็ด้านการเลี้ยงชีพที่มันไม่ถูกต้องเมื่องดเว้นออกไปก็จะกลายเป็นผู้มีความสันโดษมีความสุขในสิ่งที่ตนมี เริ่มมีความเข้าใจหรือว่ามีปัญญาระดับต้นๆที่เห็นว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ก็เลือกทำเฉพาะอันที่มีประโยชน์อันที่ไม่มีประโยชน์ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองมีความเดือดร้อนใจทำให้มีความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากในการใช้ชีวิตก็ทิ้งไปนะอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่มีความสุขแบบอนวัชสุขขังคือสุขแบบไม่มีโทษในภายในนะครับ ต่อไปบาลีข้อ103ท่านก็จะกล่าวถึงการฝึกฝนต่อไปอีกเป็นการฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเวลาที่ตามองเห็นรูปเป็นต้นนะครับในบาลีข้อ103หน้าที่6นะอ่านพร้อมกันโสจักคุณารูปังดิสวา นิมิตคาหีอโหสิงนานุพยัญชนะคาหียัตตวาทิการณะเมนังจากขุนดิยังอสังวุตังวิหารตังอะพิชาโดมนัสส า, าปปากาอกุสลาธรร ม, มาอนานาวะเวยุง ตัดสะสังวรายะปฏิปัดชิงรักขิงจากขุนดริยังจากขุนดริเยสังวรังอาปัดชิงโสเตนะสัต ด, ดังสุดตวาคาเนนคันทางคายิตวาชิวหายะระสังสายิตวา กาเยนะโภธา บ, บังผุสิตวมะมณสาธรรมังวินญยญยะณนนิมิตคาหีอะโหสิงนานุพยัญชนะคาหียัตวทธิการณะเมนังมะนินดริยังอะสังวูตังวิหารตัง อภิชาโดมนัสสาปาปากาอากุสลาธรรมะอนวาสเวยุงตัสสังวรายะปฏิปัดจิงรักขิงมะนินดริยังมะนินดริเยสังวรังอาปัดจิงโสอิมินาอาริเยนะ อินดริยะสังวเรนะสัมนาคโตอัจตรังอภยาเสกะสุขังปะติสังเวเดสิงต่อไปหลังจากมีสติสัมปชัญญะระดับศีลที่รู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองแล้วก็ละอันไหนที่มันไม่ดีออกไปละ การกระทําที่ไม่ดีและคําพูดที่ไม่ดีและการเลี้ยงชีพที่ไม่ดีออกไปแล้วต่อไปก็ฝึกฝนเพื่อให้รู้เท่าทันเพิ่มขึ้นไปอีกในบาลีข้อ103สโซจักคุนารูปังฤิวาณ น, นิมิตตคาหีอโหสิงนานุพยัญชนักคาหีเรานั้นดรวยกระผมนั้นใช้คำว่าเราก็แล้วกันพระอรหันต์ท่านพูดนะเรานั้น เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ยึดโดยนิมิตเป็นผู้ไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะนิมิตตักคาหีคาหีก็แปลว่ายึดถือยึดมั่นถือมั่นนิมิตตะคือความเป็นนิมิตเป็นรูปเป็นร่างเป็นหญิงเป็นชายเป็นรถเป็นบ้านเป็นหมาเป็นแมวการยึด ถือลงไปว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันมีจริงๆมันสวยมันไม่สวยมันดีมันไม่ดีอย่างนี้เรียกว่านิมิตะการยึดนิมิตเรียกว่านิมิตคาหีส่วนอนุพยัญชนะคือรายละเอียดของนิมิตนั้นเช่นเราเห็นผู้หญิงผู้หญิงก็กลายเป็นนิมิตตาสวยเนี่ยตากลายเป็นอนุพยัญชนะตาจมูกแหว่ง จมูกสองข้างไม่เท่ากันอะไรพวกนี้นะผมสวยผมตรงนี้ขาวตรงนี้ดําโปลแซมกันขึ้นมารายละเอียดปรีกย่อยของตัวนิมิตเรียกว่าอนุพยัญชนะตัวอนุพยัญชนะนี่แหละจะทําให้เกิดอภิชาโทมนัตหรือว่ากิเลส ช, ชนิดต่างๆขึ้นมามากนะที่ชื่อว่าอนุพยัญชนะเพราะว่าเป็นเหตุให้เกิดกิเลส ช, ชนิดต่างๆขึ้นมาอีกเยอะถ้าใครไปยึดถือโดยอนุพยัญชนะนะครับ ถ้าเป็นเสียงก็เสียงเพาะเสียงไม่เพาะเสียงหญิงเสียงชายเสียงหมาเสียงแมวเสียงนกอย่างนี้เรียกว่านิมิตส่วนตัวอนุพยัญชนะในเสียงคือรายละเอียดในเสียงนี่เขาชมชมว่าอย่างนี้นะถ้าเขาพูดว่าควายปั๊บเอ๊ะหมอนี่มันว่าเราโง่เหมือนควายเนี่ยเออรายละเอียดอย่างเงี้ยเรียกว่าอนุพยัญชนะรายละเอียดปลีกย่อยลงไปที่เราใส่ความหมายลงไปเรียกว่าอนุพยัญชนะในเสียงคําชมก็เหมือนกัน เสียงชมก็เป็นนิมิตเฉยๆส่วนรายละเอียดของคำชมที่เขาเปรียบเทียบหรือว่าเยินยอจนหน้าเอาหน้ายึดถืออันนี้เรียกว่าอนุพยัญชนะนะครับอันนี้พูดถึงเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ยึดโดยนิมิตไม่ใช่ไม่รู้นิมิตนะรู้เหมือนกันรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นหมาเป็นแมวรู้อนุพยัญชนะเหมือนกันรู้ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้รู้เหมือนกันแต่ไม่ยึดนะ รู้กับยึดมันไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ของเรานี้มันไม่ค่อยรู้เรื่องคือมันยึดเรียบไปเลยนะยึดไปหมดถ้ารู้ก็จะรู้แบบผันผ่านอย่างเราดูทีวีดูผันผ่านเป็นไหมเออก็เอ อ, เ อ, องั้นงั้นเนี่ยเรียกว่ารู้รู้ก็จะรู้เหมือนกันว่ามันด่ากันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ารู้แบบผันผ่านถ้าไปยึดขึ้นมาก็โอ้มีสองฝ่ายกกับขด่ากันด่ากันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็อนุพยัญชนะ นี่พอเข้าใจไหมโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็ยึดทั้งนิมิตยึดทั้งอนุพยัญชนะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ยึดโดยนิมิตไม่ยึดโดยอนุพยัญชนะนะก็คืออย่าหลงไปตามเขานะอย่าหลงไปนะครับถ้าหลงไปแล้วไม่มีอินทรีสังวรหรือว่าไม่สำรวมอินทรีก็จะเกิดบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโธมณตขึ้นมาบ่อย ยัตวาที่กรณะเมนางจากักขุนตริยังอาสังวูตังวิหรันตังซึ่งเมื่ออยู่โดยไม่สำรวมระวังจกักขุนสี่อภิชาโดมณัสสาปาปากาอากุศลาธรรมมาอนวาสะเสวยยุงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมัสก็จะเกิดขึ้นบ่อยเห็นหั้ยเวลาเราเห็นรูปทางตาถ้าเราไปติดในนิมิต และอนุพยัญชนะมันก็จะเกิดขึ้นมาบ่อยๆเกิดอยู่เรื่อยเกิดอยู่เรื่อยเกิดแล้วดับไปพอเห็นอีกถ้าไปติดนิมิตอนุพยัญชนะอีกมันก็เกิดอีกมันก็เกิดบ่อยๆอันนี้เรียกว่าไม่สัมรวมทางตาที่กิเลสมันเกิดขึ้นมาบ่อยๆนี่นะเพราะว่าไม่สัมรวมทางตาไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นดีหรือเห็นไม่ดีอะไรหรอกเพราะไม่สังวรไม่มีสติเวลาที่มองเห็นเมื่อไม่มีสติมันก็เข้าไปยึดโดยนิมิต เป็นหญิงเป็นชายสวยไม่สวยพอสวยไม่สวยเสร็จยังมีนิมิตต่อมาอีกสวยอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวเท่ากันไม่เท่ากันอะไรก็ว่ากันไปนะเหมือนที่เราเป็นเป็นกันมานะฉะนั้นเห็นเสื้ออันนี้นิมิตเสื้อตัวนี้มันสวยอย่างนี้ก็ยังนิมิตอยู่โอ้ยลายสวยลายดอกดอกนี้อยู่ตรงนี้ดอกนูน้นอยู่ตรงนูน้นโอ้โหทีนี่แหละพออนุพยัญชนะโผล่ขึ้นมาแล้วกิเลสเอาไปกินหมดนะ อย่างนี้บาปอกุสศลธรรมทั้งหลายอภิชาและโทมนัสอภิชาคือความยินดีติดข้องหลงเพลิดเพลินโทมนัสคือความไม่ชอบใจไม่พอใจผลักไสก็จะเกิดขึ้นมาในใจบ่อยๆนะครับฉะนั้นตัวสังวรสังวรนี้ก็อุปมาเหมือนกับบ้านก็ได้นะบ้านที่หลังคาไม่ดีเป็นยังไงบ้างฝนตกทีไรก็รั่วมาทุกทีใช่ นฝนตกทีไรก็รั่วมาทุกทีอยู่เรื่อยอันนี้ก็คือเหมือนกับตาเราเห็นเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีสังวรคือไม่มีสติเข้าไปยึดโดยนิมิตยึดโดยอนุพยัญชนะกิเลสก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแต่ถ้าหลังคาปิดดีเป็นไงนก็นอนสบายเลยฝนไม่ตกไม่ตกรั่วไมมาถูกตัวเราสบายก็เหมือนเวลาตาเห็นรูปแต่มีสติดี ตาเห็นรูปผู้หญิงผู้ชายสวยไม่สวยมีสติรู้เท่ารู้ทันอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนั้นเรียกว่าสำรวมทางตาสังวรทางตานะครับถ้าไม่สังวรก็จะเกิดอภิชาและโทมนัสขึ้นมา <c oughs> ตัดสะสังวรายะปฏิปัติชิงปฏิบัติเพื่อความสัมรวมระวังทางตานั้น รักขิงจากขุนดะรยังรักษาจากขุนศีตามันเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์แต่รักษามันในตอนที่มันเห็นรักษาไม่ให้บาปอากุศลคืออภิชาโทมนัตมันเกิดขึ้นในตอนที่เห็นเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่รักษาไม่ให้บาปอากุศลธรรมเกิดขึ้นโดยการมีสติโดยการไม่เข้าไปยึดถือโดยนิมิตรไม่เข้าไปยึดถือโดยอนุพยัญชนะ คำว่ายึดถือคือความเอาใจของเรานี้เข้าไปใส่จริงจังกับมันมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆอย่างนู้นจริงๆเวลาเขาด่าท่านอ่ะมันเป็นจริงไหมท่านว่าเขาก็พูดพูดไปงั้นนะนะถ้าเราไม่ยึดมั่นจริงจังมันก็เป็นเสียงลอยลอมผ่านไปอันนี้เห็นไหมแต่ถ้าท่านไปจับยึดจริงจังเป็นไงอุ้ยมันด่าเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จทีนี้บาปอภิชาและโทมนัตเกิดขึ้นเต็มทีเดียวนะครับ นี้ทางตาก่อนนะจกักขุนเทนเยสั่งวรังอาปัจฉิงถึงการสัมรวมในทางจากักขุนสีนี้ทางตาต่อไปทางหูโสเตณสัดดังสุตตวาฟังเสียงด้วยหูแล้วก็เหมือนกันไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะไม่ยึดถือนะเราก็รู้มันเดิมแหละว่าเขาด่าเขาชมแต่เราไม่ยึดถือว่ามันเป็นจริงเป็นจังถ้าใครไปยึดถือมันเป็นจริงเป็นจังปั๊บ เป็นยังไงเรียกว่าไม่สํารวมพอไม่สํารวมแล้วบาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะฉะนั้นจึงเต็มไปด้วยความพอใจและความไม่พอใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้มีศีลซะก่อนในตอนต้นเป็นพื้นฐานต่อมาก็มาคอยสังเกต ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นดูรสกายสัมผัสใจคิดนึกให้รู้ทันความยินดียินร้ายความชอบความไม่ชอบต่างๆจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่สำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามีอินทรียังวรนนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าศีลยังไม่ดีก็ยังไม่ต้องมาฝึกข้อนี้ก็ได้ เพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราจะฝึกอินทรีย์สังวรทางหูใช่ไหมเขาด่ามาอันนี้ถ้าเรามีสติมันก็ไม่ติดในนิมิตแล้วก็นุพยัญชนะแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยเขาด่ามาไม่รู้เรื่องรู้ราวระเบิดลงแล้วตีเขาแล้วอย่างนี้อันนี้แสดงว่าศีลก็ยังไม่มีเลยนะเว้นจากพวกคำหยาบก็ยังไม่เป็นเลยเว้นจากปิสุนาวาจาก็ยังไม่เป็นเลยอันนี้ก็ไม่ต้องมาพูดถึงข้อนี้ก็ได้นะเราต้องไปหลบหลบนิดหน่อยแล้วก็ฝึกมาก่อน ให้มีศีลพอสมควรรู้เท่ารู้ทันก่อนค่อยมาตาดูหูฟังตามปกตินะครับ <c oughs> ฉะนั้นก็ลำดับของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเราปฏิบัติได้ทุกที่นั่นแหละปฏิบัติได้ทุกทุกอารมณ์ทุกทุกสถานการณ์นั่นแหละ <c oughs> เพียงแต่ว่าบางคนนั้นศีลก็ยังไม่มีเลยพวกนี้ก็ต้องไปหาวิธีเอาเองหรือว่าหลบไปบ้างอะไรไปบ้างเพื่อ ให้จิตมีศีลเป็นพื้นฐานสัก่อนไปฝึกนะแต่ว่าไม่ได้ฝึกเพื่อจะหลบตลอดนะถ้าฝึกเพื่อจะหลบตลอดอันนั้นก็จะกลายเป็นคนตาบอดไปในที่สุดหรือว่าเป็นคนหูหนวกไปนะในสมัยพุทธกาลเขาก็มีวิธีนี้กันนะคือว่าเขาบอกกันว่าถ้าไปเห็นอะไรแล้วกิเลสมันเกิดนะ่ะก็อย่าเห็นมันเลยเขาว่าอย่างนี้นะพอปฏิบัติทำจบของเขาเนี่ยก็ตาบอดพอดีนะ ถ้าได้ยินอะไรแล้วนี่นะได้ยินอะไรแล้วมันเกิดกิเลสก็อย่าไปได้ยินมันเลยนะครัสอนกันอย่างนี้ถ้าจบคอร์สของเขานะ่ยอรหันต์ของเขาคือหูหนวกนั่นเองอย่างนี้นะนี่ในยุคเก่าก็มีอย่างนี้สอนอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ของพระพุทธเจ้ามาอย่างนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วแต่ใช้วิธีไม่ยึดโดยนิมิตไม่ยึดโดยอนุพยัญชนะให้รับรู้มันตามปกติแต่ไม่จริงจังกับมัน นะการยึดนี่หมายถึงการจับอย่างจริงจังแต่ถ้าเรารับรู้แล้วไม่จับมันเป็นไงมันก็ไม่มีอะไรรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปแต่เรานี้รู้แล้วเป็นไงจับยึดเหนียวแน่นไปเลยนะอันนี้เรียกว่ายึดนะครับยึดนิมิตยึดอนุพยัญชนะเมื่อยึดในนิมิตอนุพยัญชนะอย่างนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมกิเลสคือ บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนี่นะทางหูก็เหมือนกันนะคาเนนคันทางคายิตรวาดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วชิวหายระรสังสายิตตวาลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วกาเยณะโพธบังผุสิตวาถูกต้องโพธพะปูกป้องโพธพะคือสิ่งที่กระทบกายด้วยกายแล้ว มณส า, าธรรมังวิญญายะรู้ธรรมะด้วยใจแล้วธรรมะคือสิ่งต่างๆที่รับรู้ทางใจความสุขบ้างความทุกข์บ้างความสงบบ้างความฟุ้งซ่านบ้างความเครียดบ้างความเบือ่อความเซ็งบ้างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราแค่ไปรับรู้มันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปยึดโดยนิมิตเป็นยังไงสุขโอ้โหยึดว่ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจับเลยนะจับปั๊บเลย ยึดโดยนิมิตสุขเพราะอย่างโน้นอย่างนี้เป็นไงยึดโดยอนุพยัญชนะเราก็จะเกิดอภิชาความชอบความยินดีในสุขขึ้นมาทุกถ้าทุกเกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันรับรู้มันเพียงแต่รับรู้เออเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดแล้วดับไปก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าจริงจังเป็นไงยึดในนิมิตเห็นไหมนิมิตทางใจเนี่ยทุกแล้วไปเป็นจริงเป็นจังกับมันว่าเออนี่ทุก เราเป็นทุกข์จริงๆนะเนี่ยทุกข์เพราะอย่างนู้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วตอนี้กิเลสเป็นไงเต็มเลยนะนี่นะจนมาถึงทางใจแล้วมณสาธรรมังวิญญาณะรู้แจ้งธรรมะด้วยใจแล้วนนิมิตตคาหีอโหสิงนานุกพยัญชนะคาหีเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือโดยนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะเนี่ยเราฝึกเพื่ออย่างนี้นะ ฝึกเพื่อไม่ยึดถือโดยนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะนิมิตก็คือเครื่องหมายว่ามันดีมันไม่ดีมันบวกมันลบมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความจริงจังในใจเราที่ใส่เข้าไปอนุพยัญชนะคือรายละเอียดปริย่อยเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะซึ่งถ้าเราไปใส่ใจหรือว่าไปจริงจังกับมันปับ๊บกิเลสก็จะเกิดขึ้นเลยยตัตตวาที่กรณะเมนงังมะนินตริยางอสังวุตัง วิหารตังเพราะว่าเมื่อไม่สำรวมมนินทรียีอยู่อภิชาโดมนัสสาปาปากาอากุศลาธรรมมาอนวาสเวยงุงบาปอากุศล ร, รธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดอยู่เรื่อยท่านทั้งหลายเป็นไงเกิดบ่อยไหมสุขก็ชอบทุกข์ก็ชังนะเบื่อก็ไม่ชอบดูทีวีก็อ้าวเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบ มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆเพราะว่าขาดสังวรสังวรทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจนะครับขาดสังวระนะฉะนั้นต้องปฏิบัติเพื่อสังวรตัดสังวรายะปฏิบัติชิงปฏิบัติเพื่อสังวรนมนินสีนั้นรักขิงมนินดรายังรักษามณินสีรักษาใจตอนมันรับรู้อารมณ์ไม่ใช่ไม่ให้มันรู้อารมณ์นะ เป็นอินทรีเมื่อมันรับรู้อารมณ์ไปตามธรรมชาติของมันทำหน้าที่ของมันแล้วก็รักษารักษาไม่ให้มันเกิดกิเลสไม่ให้กิเลสอสาศัยทางนั้นโผล่ขึ้นมามณินดริเยสังวรังอาปัจฉิงถึงการสำรวมในมณินทรีโสอิมินาอาริเยนะอินดริยะสังวรณสมนาคโตเรานั้นประกอบด้วยอินทรีสังวรอันเป็นอริยนี้ อัดฉรตังอัปยาเสกสุขขังปฏิสังเวเดสิงก็ประสบกับสุขชนิดที่เป็นอัปยาเสกะคือไม่ระคนด้วยกิเลสไม่ระคนด้วยความยินดียินร้ายไม่ไปเที่ยวตะคุบอันโน้นไม่ไปเที่ยวผักไสอันนี้ในภายในเป็นอัปยาเสกสุขสุขชนิดที่ไม่ต้องดีก็ได้ไม่ต้องระคนด้วยกิเลสไม่ต้องระคนด้วยดีและไม่ดี นี่ก็เริ่มเป็นจิตที่มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นนน่นะอาศัยการประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเป็นอย่างนี้นะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นดูรสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกไปเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไม่ยึดโดยนิมิตไม่ยึดโดยอนุพยัญชนะอันนี้เป็นอินทรีย์สังวรแบบอริยะไม่ใช่ไม่เห็นนะ ไม่ใช่ไม่ได้ยินหรือว่าไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่รู้สึกนะเห็นเหมือนกันได้ยินได้กลิน่นรู้รสสัมผัสคิดนึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันรับรู้อะไรต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ยึดโดยนิมิตไม่ยึดโดยอนุพัญชนะนี่สิ่งที่ต่างกันคืออันนี้ที่ต่างกับเราทั้งหลายของเราทั้งหลายนี้เห็นเหมือนกันแต่ยึดของท่านนั้นเห็นเหมือนกันแต่ไม่ยึด เห็นว่าเป็นหญิงมันเป็นชายเหมือนกันแต่ไม่ยึดว่าจริงจังเราเห็นเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันแต่จริงจังรู้ว่าเขาด่าเหมือนกันนะแต่ไม่จริงจังใครไม่รู้ว่าเขาด่าก็บ้าแล้วเนาะใครด่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านี่มันด่าเราแต่เขาไม่จริงจังว่าด่าเห็นไหมเขาก็รู้เหมือนกันว่าด่านะเนี่ยเขาก็ไม่ไปยุ่งด้วยแต่เรานี้เขาด่ารู้ว่าเขาด่าด้วยและจริงจังด้วยนั่นมันต่างกันมันเป็นอย่างนั้นนะครับ จารย์เราต้องฝึกสังวรสังวระนะสังวระตามแบบอริยะแบบห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความเข้าใจผิดห่างไกลจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นวิธีอีกชนิดหนึ่งคือเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรส ด, ด้วยริ้นถูกต้องโพธพะด้วยกายรับรู้ธรรมะด้วยใจแล้วไม่ยึดโดยนิมิตไม่ยึดโดยอนุพยัญชนะ เพราะว่าถ้ายึดถือขึ้นมาแล้วไม่สํารวมระวังแล้วอภิชาและโทมนัตก็จะเกิดขึ้นบาปอากุศลและธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นทนะ่านั้นถ้าท่านเห็นอกุศลบาปธรรมเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าโอ้นี่เราหลงไปแล้วนะเราก็จะได้ฝึกต่อไปอีกให้มันมีสติสัมปชัญญะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผู้ที่ประกอบด้วย อริยะอินทร์สสังวรก็จะประสบกับความสุขที่เป็นอัพยาเสกสุขสุขที่ไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในไม่เกิดความยินดีเพลิดเพลินไม่เกิดความผลักไสสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็กลายเป็นสุขชนิดที่ไม่ต้องหาเราพากันหาสุขใช่ไหมมีสุขชนิดที่ไม่ต้องหาด้วยนะนี่อัพยาเสกสุขเนี่ยไม่ต้องหาอะไรเลยไม่ต้องหาที่ไหนด้วย เพราะมันเป็นสุขของมันเองนะส่วนใหญ่ที่เราไม่เป็นสุขเพราะมัวแต่หาใช่ไหมไม่รู้จักสุขอันชนิดนี้อย่าว่าขนาดนั้นเลยขนาดสุขศีลยังไม่รู้เรื่องเลยนะสุขที่เกิดจากการละคําพูดไม่ดีละการกระทำไม่ดียังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ต้องพูดถึงอัพยาเสกสุขแล้วซึ่งเป็นสุขที่ไม่ต้องหาอะไรไม่ต้องทาอะไรด้วยซ้าไปมันก็เกิดของมันเอง อย่างนี้เพียงแต่ไม่ไปยึดโดยนิมิตไม่ไปยึดโดยอนุพยัญชนะในสิ่งต่างๆเท่านั้นเองไม่เป็นจริงเป็นจังไปกับสิ่งต่างๆนะครับทีนี้เมื่อฝึกฝนโดยตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นล้นดูรสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกไปแล้วรู้เท่าทันไม่หลงไปตามนิมิตไม่หลงไปตามอนุพยัญชนะอย่างนี้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอ ทำไมเราจึงไม่ค่อยรู้ตัวอยู่เสมอเวลาเราทำเราพูดเราคิดหรือว่ากระทากิริยาอาการต่างๆเพราะใจเรา ม, มันมัวแต่ไปติดในนิมิตติดในอายุะยัญนชน ะ, นะเวลาเห็นคนใจมันก็ไปอยู่กับคนคนนั้นเป็นอย่างโน้นคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เดินสวยเดินไม่สวยแล้วมันจะรู้ตัวเองไหมมันก็ไม่รู้ตัวเองที่กำลังเดินอยู่มันก็ไม่รู้และไม่รู้ตัวเพราะว่าเอาตัวรู้นั้นไปสนใจคนอื่นเขาแล้วเวลาได้ยินเสียงเขาแล้ว ไม่ชอบก็ไปสนใจเสียงเขาพูดอย่างโน้นอย่างนี้ตัวเองที่กําลังนิ่งอยู่กําลังคิดกําลังนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันรู้ไหมมันก็ไม่รู้นะเราจึงเป็นพวกที่ใช้ชีวิตอย่างขาดสติหรือว่าเป็นพวกที่ไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความรู้ตัวฉะนั้นความรู้ตัวเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เรารู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองแล้วละของที่ไม่ดีออกไป รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่ผ่านมาผ่านไปจนกระทั่งไม่หลงเอาใจไปอยู่กับมันมันก็จะย้อนกลับมารู้ตัวได้เองนี่นะมันผ่านมาด้วยวิธีนี้นะครับฉะนั้นความรู้ตัวบางคนพยายามฝึกนะฝึกก็ดูเหมือนได้แป๊บเดียวก็หายหมดอีกแหละอันนั้นเพราะว่าเราฝึกยังไม่ถูกแท้ที่จริงแล้วเราฝึกฝนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปเป็นของแปรปรวนทุกสิ่งทุกอย่างรู้มันให้หมดแล้ว ความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมาเองนะเมื่อเราไม่ไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะข้างนอกจิตมันเบนท่าตรู้อยู่แล้วใช่ไมถ้ามันไม่ไปรู้อันอื่นไม่ไปสนใจอันอื่นมันก็มารู้รู้ที่กายที่ใจของตัวเองอันนี้เรียกว่าสัมปชานการีคือกระทำสิ่งต่างๆด้วยสัมปัญญะคือมีความรู้ตัวเพราะว่าเราไม่เอาตัวรู้ไม่เอาจิตไปไว้ที่อันอื่น ไม่ติดในนิมิตไม่ติดในอนุพยัญชนะนั่นเองนี่พอเข้าใจหมนิมิตก็ยังรู้เหมือนเดิมอนุพยัญชนะก็ยังรู้เหมือนเดิมเพียงแต่รู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านอย่างนี้นะต่อไปก็จะกลายเป็นการมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอในการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตอยู่เสมอนะที่ท่านเรียกกันว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ย นะมีสัมปชัญญะอยู่ในอิริยาบถต่างๆแล้วก็ฝึกให้เป็นคนมีศีล ร, รู้เท่าทันจิตใจของตนเองละสิ่งที่ไม่ดีทางกายวาจาและการเลี้ยงชีพไปแล้วก็ฝึกรู้เท่าทันจิตใจของตนเองที่มันไปหลงยินดีหลงยินร้ายกับสิ่ ง, งต่างๆเมื่อมันรู้เท่าทันแล้วมันก็จะรู้ตัวเองเห็นไหนะก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับต่อไปในย่อหน้าที่สองหน้าที่6กนะ กล่าวเรื่องสัมปชานการีการกระทําสิ่งต่างๆอย่างมีความรู้ตัวอ่านพร้อมกันนะครับโสอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีอโหสิงอาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานการีอะโหสิงสมินชิตเตปะสาริเต สัมปชานการีอโหสิงสังคาติปัตตะจีวรธารเนสัมปชานการีอะโหสิงอสิเตปิเตขายิเตสายิเตสัมปชานการีอะโหสิงอุจาระปัสสาวกัมเมสัมปชานการีอะโหสิง คะเตติเตนิสินเนสุเตชาคริเตพาสิเตตุนหีหพาเวสัมปชานาการีอาโหสิงการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะทำอะไรด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมออันนี้แหละเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของการมีปัญญาในอนาคตะฉะนั้นที่เราฝึกฝนกันเนี่ยนะ ไม่ว่าด้วยรูปแบบวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ก็เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตในการเดินยืนนั่งนอนในการเดียดการคู้ในการทำพูดคิดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวตัวนี้แหละจะเป็นตัวกลางที่จะทําให้เกิดการเข้าใจสิ่งต่างๆ ต, ต่อไปในอนาคตเกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อไปถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่อย่างหลงหลงลืมลื ม, ลมเราคิดว่าไปวัดแล้ว จะมีสติเพิ่มขึ้นอันนี้คงจะเข้าใจผิดไปอีกนานมากนะหรือว่าใช้ชีวิตอยู่บ้านก็หลงห ล, ลืมๆืมไปเดี๋ยวมาฟังธรรมอาจารย์อาจจะบรรลุอันนี้ก็คงจะอาจจะไปเรื่อยๆนะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนๆที่ทุกที่มันถึงจะได้ผลนี่นะที่เราฝึกฝนกันก็เพื่ออย่างนี้อย่าไปหวังอะไรหลงหลงแรง ๆ, ๆว่าอยู่บ้านก็กิเลสเยอะพอมาอยู่วัดแล้วกิเลส จ, จะน้อย อันนี้คงจะได้หวังลมๆแรงๆไปเรื่อยๆนะอยู่หลายๆคนก็หลงหลงลืมๆืไปอยู่คนเดียวอาจจะสติเยอะอันนี้ก็ลมๆแรงๆไปนะอยู่บ้านไม่บรรลุมาฟังอาจารย์สุพีอาจจะบรรลุคงจะได้อาจจะไปเรื่อยๆนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความรู้ตัวที่ไหนก็ได้นะนี่แหละที่เป็นจุดสําคัญนะฉะนั้นที่เราฝึกฝนมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมมีศีล มีอินทรีย์สังวรก็เพื่ออันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะพูดเรื่องสมาธิแล้วก็เป็นเรื่องปัญญาเท่านั้นเองก็มีเหลืออยู่เท่านั้นแหละฉะนั้นตัวที่สําคัญหรือว่าเป็นจุดวัดที่จะเกิดสมาธิและปัญญาต่อไปนี้ก็คือตัวความรู้ตัวตัวสัมปชานการีการรู้ตัวอยู่เสมอในการเดินยืนนั่งนอนดื่มทําพูดคิดนิ่งหรือสิ่งต่างๆที่เราใช้ชีวิตทั้งหมดใช้ชีวิตอย่างมีความรู้ตัว โสอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการิงอโหสิงเรานั้นเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะกระทำสัมปชัญญะนะมีความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังเราก็ก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังยึกยักยึกยักอยู่ทุกวันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าปกติเราไม่ค่อยรู้ตัวเพราะอะไร เพราะจิตมันขาดศีลแล้วก็จิตก็ไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะเต็มไปหมดเลยนะครับอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานาการีอโหสิงเ่านั้นเป็นผู้ที่มีสัมปัญญะในการแลดูเหลียวดูเราแลดูเหลียวดูตลอดวันอยู่แล้วใช่ั้ยดูนั่นดูนี่แล้วรู้ตัวบ้างไหมก็ไม่ค่อยรู้เนาะ เ, เพราะว่ามันไปติดนิมิตอนุพยัญชนะไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หลงไป จากนั้นก็ต้องฝึกนะครับสมินชิเตปัสสาริเตสัมปชานการีอโหสิงเล่านั้นเป็นผู้ที่มีสัมปัญญะในการคูเข้าเหยียดออกสังคาติปตะจีวรธารเนสัมปชานการีอโหสิงเป็นผู้ที่มีสัมป ช, ชัญญะคือมีความรู้ตัวในการทรงผ้าสังคาติอุ้มบาทแล้วก็ห่มจีวร อสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานการีอโหสิงเป็นผู้ที่มีความรู้ตัวในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มอุจจาระปัสสาวกรรมเมสัมปชานการีอโหสิงเป็นผู้ที่มีความรู้ตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะคัตเตติเตนิสินเนสุตเตชาคริเต ภาสิเตตุนหีภาเวสัมปชานการีอะโหสิงเป็นผู้ที่มีความรู้ตัวในการยืนในการเดินไปก่อนคาเตในการเดินไปทิเตในการยืนนิสินเนในการนั่งสุดเตในการนอนชาคริเตในการตื่นภาสิเตในการพูดตุนหีภาเวในการนิ่งเงียบ มีความรู้ตัวทุกๆสิ่งที่ทำทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจตนเองเนี่ยนะเป็นจุดวัดที่สำคัญนะเมื่อประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นอริยะอย่างนี้นั่นแหละนะต่อไปไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าอยู่เสมอเนี่ยโดยอาศัยความเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอนี่แหละ จะเป็นผู้ที่มีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าถ้ามีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าอะไรเปลี่ยนแปลงจะรู้ไหมก็รู้นะมีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกมีเราก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็กลายเป็นอาณาปานาสติมีความรู้ตัวมีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าดูท้องพองท้องยุบหรือว่าดูสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในกายในใจก็เป็นการทํากรรมฐานให้เกิดสมาธิเกิดปัญญา ดังนันะ้นตัวที่สำคัญเนี่ยคือความรู้ตัวตัวสัมปชัญญะนี่แหละนะครับซึ่งจะเกิดมาได้นะในที่นี้ในสูตรนี้ก็ผ่านมาเรื่องศีลนีเรื่องศีลเป็นอริยะศีลขันแล้วก็อินทรีสังวรอริยะอินทรีสังวรแล้วค่อยมาสัมปชานการีการมีสติสัมปชัญญะนะครับ ต่อไปท่านก็จะบอกถึงว่าหลังจากประกอบด้วยธรรมะที่เป็นบารฐานเป็นพื้นฐานที่ดีอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็จะเป็นผู้ที่มีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าเมื่อมีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าพวกกิเลสนิวร์ต่างๆก็เข้ามากรุ่มรุมใจไม่ได้พอเข้ามากรุ่มรุมใจไม่ได้เป็นยังไงจิตก็เกิดสมาธิแมจิตเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นได้ชาตหนึ่งส เมื่อมีสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาดูกายดูใจด้วยจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นก็เกิดปัญญาเห็นอริยสัจก็บรรลุธรรมไปตามลำดับเท่านั้นเองนะฉะนั้นในสูตรนี้ก็ท่านก็จะเห็นนะวิธีการฝึกฝนไปตามลำดับทีเดียวท่านก็เอาไปฝึกตามนี้เลยฝึกได้ตามนี้ก็เป็นอรหันต์เลเพราะว่าอรหันต์ท่านตอบมาแล้วนี่นะ ต่อไปในย่อหน้าที่สามนะครับโสอิมินาจะเป็นต้นไปนะอ่านพร้อมกันโสอิมินาจะอริเยนะสีลขันเทนสะสัม น, นาคโตอิมายะจะอริเยนะอินดริยะสังวเรนสะสัม น, นาคตโตอิมินาจะอริเยนะสติสัมปัญเยนะ สมนาคโตวิวิตังเสนาสนังพระชิงอรัญยังรุกขะมูลังปปัตังกันดรังคิริคุหังสุสานังวนปัตถังอภโกาสังปลาละปุญชังโสปัจชาพตังปินดาปตะปฏิกันโต นิสีดิงปันลังกังอาผู้ิตวาอุชุงกายังปนิทายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวานะครับการประกอบด้วยธรรมะขั้นพื้นฐานอย่างนี้นั่นแหละก็จะกลายเป็นผู้ที่สามารถทำกรรมฐานอะไรก็ได้ให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาไปตามลำดับนะครับ ท่านบอกว่าโส so, อิมินาจะอริเยนะสีลขันเทนะสมนาคโตเรานั้นกับผมนั้นคือพระละหันท่านพูดให้ฟังนะเรานั้นประกอบด้วยอริยะสีลขันอย่างนี้อิมายะจะอริเยนะอินดริยะสังเรณนะสมนาคโตประกอบด้วยอริยะอินทรีสังวรอันนี้ อมินาจะอริเยณะสติสัมปชัญญะสมณาคโตประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะนี้นะครับประกอบด้วยธรรมะพื้นฐานอันนี้ฉะนั้นปรับพื้นฐานในที่นี้ท่านกล่าวถึง3ประการด้วยกันอันที่1คือศีลขันธ์อันเป็นอริยะ 2. อ, อินทรีย์สังวร อ, อันเป็นอริยะ 3. ส, สติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะนะอันนี้ เราทั้งหลายก็ไปฝึกฝนให้ได้ธรรมะพื้นฐานอันนี้นะต่อไปก็จะสามารถทำกรรมฐานให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้นะครับตามสมควรของตนของตนนะวิวิตตังเสนาสนังพระชิงนะก็ไปเสพเสนาสนะที่เงียบสงดนี่สาหรับพระท่านนะเสนาสนะของพระท่านก็มีอรันยังป่ารุกขมูลังใต้ต้นไม้ ปะัะตังภูเขากันดารังซอกเขาคิริคูหังถ้ำสุสานังป่าช้าวนปัฏถังป่าที่มันรกชัดอภโพกาสังที่กลางแจ้งปลาละปุญชังกองฝางที่อยู่ของพระท่านนะโสปัจชาพัตตังปินดาปาตะปฏิกันโตเรานั้นหลังจากเวลาปัจชาพัฏคือหลังจากเที่ยงไปแล้ว เป็นผู้ที่กลับจากบินธบาตแล้วพระท่านก็มีกิจหน้าที่ต้องทำเหมือนกันนะตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาทำกิจแก่ครูบาอาจารย์แก่อุปชาเรียนหนังสือกวาดลานวัดอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ชำระรางร่างกายแล้วก็ไปบินธบาตไปบินธบาตแล้วก็ฉันฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังเลยเวลาฉันแล้วหลังจากปัจฉาพัดแล้วปัจฉาพัดคือเลยเวลาฉันพระท่านฉันได้ถึงเที่ยงนะ เลยเวลาฉันแล้วทีนี้เวลานอกนั้นก็เป็นเวลาว่างแล้วนะเวลาว่างสำหรับพระนะพระที่ท่านไม่มีกิจธุระอะไรมากไม่หาเรื่องมาใส่ตัวเยอะนักนะไม่ก่อสร้างไม่อะไรมากท่านก็ว่างว่างก็นั่งคูบัลลังก์เลยนิสีดิงปัลลังกังอาภุชิตวานั่งคูบัลลังก์คือคูขาทั้งสองข้างให้มันสมดุลกันสมดุลกันอุชุงกายังปณิธายะ ตั้งกายให้ตรงปริมูคขังสติงอุปัฏฐเวตวาตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าเห็นไหมท่านที่มีธรรมะสามอย่างขั้นต้นที่ดีเป็นพื้นฐานนะไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนสติงอุปัฏฐเปตวาก็จะตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าอยู่เสมอเมื่อสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้ามีความรู้ตัวในการนั่งอยู่อะไรเปลี่ยนแปลงจะรู้ไหม ก็รู้นะหายใจเข้าหายใจออกก็มีอยู่แล้วถ้าท่านใส่ใจลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สั้นยาวรู้อันนี้ก็กลายเป็นอาณาปานสติกรรมฐานอื่นๆก็ทํานองเดียวกันนะแล้วแต่ท่านจะนึกถึงอะไรหรือว่าท่านจะใช้กรรมฐานอะไรในการฝึกฝนให้เกิดสมาธิให้เกิดจิตที่มีความตั้งมั่นหรือว่าจะพักผ่อนด้วยฌานหรือว่าจะเจริญวิปัสสนาแล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับ จุดตั้งต้นต้องมีธรรมะพื้นฐานให้ดีซึ่งในที่นี้แสดงไว้สามอย่างคืออริยะศีลนัขันอริยะอินทร์สังวร อ, อริยะสติสัมปัญญะน่าอันนี้ทีนี้หลังจากเวลาปัจฉาพัดแล้วเรานั้นกลับจากบินธบาตแล้วก็นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้ามีมีสติในการนั่งอยู่นะ ถ้ามีสติในการนั่งอยู่นะอะไรผ่านเข้ามาก็รู้อะไรผ่านเข้ามาก็รู้กิเลสมันก็มีแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปดับไปดับไปพวกกิเลสิวรนต่างๆจะเข้ามากลุ่มรุมใจได้ไหมมันก็เข้ามาไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่ของเรานี่นั่งแล้วมีสติเฉพาะหน้าไหมนั่งแล้วสติหายไปไหนไม่รู้ลมหายใจอยู่ไหนวะหาลมหายใจไปนอนอยู่แป๊บเดียวหลับแล้วนะแบบนั้นนะเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น หาวิธีนอนหลับไปนอนหลับอยู่กับลมหายใจคือมันไม่มีความตื่นตัวไม่มีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าคนที่มีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าก็คือนั่งด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีความตื่นเบิกบานอยู่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายในใจก็รู้นี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามีสติเอาไว้เฉพาะหน้านะครับนะต่อไปก็จะกล่าวถึงการละนิวรณนะ์นะนะเห็นไหมถ้าเราฝึกฝนโดยถูกต้องก็จะละนิวรณ์แล้วก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ แต่ที่เราทั้งหลายทากรรมฐานกันโดยส่วนใหญ่แล้วเราทําไม่ถูกคือกระโดดข้ามมาคือว่ามานั่งสมาธิปับ๊บท่านบอกให้นั่งคูบันลังเราก็คูบเหมือนกันนะแต่ทีนี้เราเนี่ยยังขาดสติที่ตั้งไว้เฉพาะหน้าไม่มีสติเราทํายังไงจะมีหาลมหายใจใหญ่ที่หานี่แสดงมันไม่มีแล้วนะเราหาแป๊บเดียวหลับง่วงนอนไปกิเลสเอาไปกินหมดนิวนโรโผล่เข้ามานะง่วงเหาเหานอนเซ็งซึมทื่งง โอ้ทุกอย่างนีน่วอนทุกทุกๆชนิดเอาไปกินหมดมันไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องไปฝึกให้มันถูกต้องตามหลักการที่ท่านบอกเอาไว้นะครับต่อไปท่านฝึกถูกต้องแล้วนะต่อมาก็ไปนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าท่านนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านทํากรรมฐานอะไรเพราะว่าถ้ามีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าแล้วทํากรรมฐานอะไรก็ได้หมดก็จะละนิ่วอนแล้วก็ เกิดสมาธิปัญญาได้นะครับต่อไปก็พูดถึงการละนิวร อ, อ่านพร้อมกันนะครับโสอภพิชังโลเกปหายะวิคตาพิเชนะเจตสาวิหาสิงอภพิชายะจิตตังปริโสเทสิงพยาปาดรปะโตสังปหายะอัพยาป น, นะจิตโต วิหาสิงสัปวปาณะผูตะหิตานุกรรมปีพยาปาดะปะโดสาจิตตังปริโสเทสิงทีนมิทังปหายะวิคตะทีนมิทโท ว, วิหาสิงอาโลกะสัญญีสโตสัมปชาโนทีนมิธา ตังปริโสเทสิงอุทัจจกุกุจจังปหายะอนุทัโตวิหาสิงอัจฉรตังวูปสันตะจิตโตอุทัจจกุกุจจาจิตตังปริโสเทสิงวิจิกิจฉังปหายะตินะวิจิกิจโฉวิหาสิง อกะกะถังกะถีกุสเลสุธรรมเมสุวิจิกิจฉาจิตตังปาริโสเทสิงเมือ่อนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าก็จะสามารถละนิวร์ทั้ง5ประการได้นิวรนก็คือกิเลสที่เข้ามากุ่มรุมจิตทำให้จิตนั้นเสื่อมปัญญามองไม่เห็นความจริงเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเป็นจิต แต่เมื่อมีนิวรณ์ผ่านเข้ามาก็เหมือนกับสีที่หยดลงไปในน้ำก็อมองอะไรไม่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นท่านกล่าวว่าโสอภิชังโลเกปหายะวิคตาพิเชนะเจตสาวิหาสิงเรานั้นละอภิชาในโลกแล้วละความยินดีเพลิดเพลินในโลกของที่น่าพอใจก็ละอภิชาละความชอบมันแล้ว มีใจที่ปราศจากอภิชาอยู่อภิชายาจิตตังปริโสเทสิงชํมระจิตให้หมดจดจากอภิชาจากความชอบใจความพอใจจากอคติที่เป็นประเภทฉันทาคติอคติด้วยความพอใจชอบใจนะทีนี้ถ้าละความ ชอบใจในโลกแล้วโลกฝ่ายดีมันจะเป็นไปยังไงแสดงความจริงยังไงก็มองเห็นมันตามที่เป็นจริงแหลนะนะแต่ถ้ายังมีอคติอยู่คงจะช่วยมันอยู่เรื่อยนะไอ้ฝ่ายดีเนี่ยอย่างเงี้มันไม่ได้แล้วใจมืดบอดไร้ปัญญาปยาปาดะปะโดสังปหายะอัปยาปันนะจิตโตวิหาสิงละจิตที่มีพยาบาทที่ทาร้ายจิตใจ ปยาปาทะก็คือพยาบาทปโดสะที่มันปะทุดส้ายต่อจิตใจคือความไม่พอใจความมีปฏิฆะความขัดเคืองใจอัปยาป น, นะจิตโตวิหาสิงเป็นผู้ที่อยู่ด้วยจิตไม่พยาบาทสับบปวาปนะภูตะหิตานุกรรมปีมีการอนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่นะ พยาปาดาโดสาจิตตังปริสโสเตสิงชํมระจิตให้หมดจดจากความพยาบาทและการประทุษร้ายแห่งใจที่ใจที่จะประทุษร้ายต่อคนที่เขาทาไม่ดีกับเราก็ดีกับคนที่เราไม่ชอบก็ดีมันก็ชําระออกไปนะทีนมิธทางปหายะทีนมิท ะ, ะ, ททะวิคตะทีนมิทโท ว, วิหาสิงละ ความง่วงเงาเหานอนและความหดหู่ท้อแท้มีจิตที่ปราศ จ, จากความง่วงเงาเหาวนอนหดหู่ท้อแท้อยู่อารโลกะสัญญีมีจิตที่มีความสําคัญว่าสว่างสวยัยอารโลกะคือความสว่างสวยัยไม่มืดมัวอย่างปกติเวลาเราง่วงนอนเป็นไงจิตใจมืดมัวครึ้มแต่พอละ ทินมิทะก็อาโลกะคือสว่างสว่างสวัยใจสว่างสโตมีสติสัมปชานโนมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทินมิทะจิตตังปริโสเทติชัมระจิตให้หมดจดจากความง่วงเหงาหานอนและความหดหู่ท้อแท้อุทธัจจกุกุจจังปหายะอนุทัโตวิหาสิงและอุทธัจจกุกุจจะ ละความฟุ้งซ่านรําคาญใจเป็นผู้อยู่อย่างไม่ฟุ้งซ่านอัจฉริยตังวูปะสัญจจิตโตเป็นผู้มีจิตสงบระงับในภายในไม่ดิ้นรนฟุ้งซ่านไม่เที่ยวเกาะเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เดือดร้อนใจกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งที่เคยทําผิดหรือว่าเรื่องดีที่ยังไม่ได้ทําไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะวะละไปแล้วนะชำระจิตให้หมดจดจาก อุทธั จ, จักกุกุจจาอุทธั จ, จักุกุจจาจิตตังปริโสเทสิงชำระจิตให้หมดจดจากอุทธั จ, จักุกุจจาวิจิกิจฉังปหายะติ น, นะวิจิกิจโฉ ว, วิหาสิงละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อปฏิบัติในคำแนะนำของครูอาจารย์เป็นต้นแล้วก็ เป็นผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วอากรังกะถะีกุสเลสุธรรมเมสุไม่มีคําถามในเรื่องกุศลแธรรมทั้งหลายเมื่อปราศจากความสงสัยนะอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลก็จะสัมผัสได้ด้วยใจของตนเองกุศลก็ทําให้จิตใจเบาสบายอากุศลเป็นความดํามืดมัวทําให้ไม่เห็นความจริงก็รู้รู้ด้วยใจตนเองทีเดียว เมื่อหมดความสงสัยนะถ้ายังไม่ข้ามความสงสัยก็ต้องถามคนอื่นแล้วแงนหน้ามองอาจารย์ไปเรื่อยว่าอาจารย์จะว่าอย่างไงเขาว่าเกาว่าของเขาแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่สิ้นสงสัยทักทีจนกว่าจะข้ามความสงสัยได้แล้วถ้าจะข้ามความสงสัยก็ต้องฝึกมานะเห็นไหมต้องฝึกมาตามลําดับอย่างนี้ถ้าจะรอถามอาจารย์แล้วแงนหน้ามองอยู่อย่างนี้คงจะสงสัยไปอีกนานมากยิ่งหลายอาจารย์ก็คงจะยิ่งงงไปเรื่อยๆ วิจิกิจฉาญาจิตตังปริโสเทสิงยังจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉาจากความลังเลสงสัยต่างๆได้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ละนิวร์เมื่อจิตละนิวร์ได้ก็จะเป็นจิตที่มีความตั้งมั่นไม่หลงไปฝ่ายดีละละการมาฉันทะไปได้แล้วละอภิชาไปได้แล้วไม่หลงไปฝ่ายร้าย เพราะว่าละพยาปาทะปะโทสะจิตใจมีแต่ความปลอดโปร่งสบายเพราะละถีนมิทธะได้แล้วจิตใจมีแต่ความเบาอ่อนสบายไม่มึนซึมทื่อไม่งงไม่สงสัยเพราะว่าละอุทธะกุกุ จ, จะแล้วก็วิจิกิจฉาได้แล้วก็จะเป็นจิตใจที่สงบเบาอ่อนควรแก่การงานคล่องแคล่วเหมาะสาหรับการใช้งาน จะใช้งานทําให้ตนมีความสุขโดยการเข้าฌานไปหรือว่าดูกายดูใจให้เกิดปัญญาก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่นะครับอันนี้นะต่อไปท่านก็จะแสดงถึงการละนิวรณ์ทั้ง5ประการได้แล้วแล้วก็เข้าฌานจนกระทั่งถึงเกิดปัญญาไปตามลําดับจนกระทั่งถึงเป็นพระอระหันต์ท่านก็จะพูดถึงปัญญาระดับสูงสุดไปเลยคือเห็นอริยสัจสมบูรณ์ พระโสะดาบันก็เห็นอริยสัจเหมือนกันนะแต่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่เต็มสมบูรณนะ์การตรัสรู้ก็โดยการแทงตลอดอริยสัจทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าท่านก็พูดให้เต็มภาคภูมิไปเลยคือว่าพูดแบบพระอรหันต์ไปเลยนะครับนะฉะนั้น ก, การแทงตลอดธรรมะนี่นะแทงตลอดโดยการรู้อริยสัจนะแทงตลอดแทงตลอดก็ไม่ได้แทงด้วนๆดื้อนะ ก็ต้องแทงตลอดแบบถูกต้องตามหลักอริยสัจปฏิเวทการแทงตลอดทุกแทงตลอดโดยการรอบรู้มันให้แจมแจ้งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกข์ขัสมุทัยคือตัณหาแทงตลอดโดยการละมันละความอยากละความต้องการละความคาดหวังความทะเยอท ย, ยานในจิตทุกข์กนนิโรธะคือพระนิพพานก็แทงตลอดโดยการกระทาให้แจ้ง อริยมรรคมีองค์แปดที่เป็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาก็แทงตลอดโดยการกระทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนี่อย่างนี้นะการแทงตลอดก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปบาลีข้อ1 0 4นะกล่าวถึงละนิวรได้แล้วก็พูดเรื่องฌานนะอ่านพร้อมกันนะครับโสอิเมปัญจนีวรเนปหายะ เจตโสอุปกิเลเสปัญญาะทุพลีการณ์วิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะกุสเลหิธรรมเมหิสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปทธังชานังอุปสมปัชวิหาสิง วิตักะวิจารานังวูปสัมาอัจจตังสัมปสานังเจตโสเอกดิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังชานังตติยังชานังจะตุถังชานังอุปสัมปัชะ วิหาสิงโสอิเมปัญจนิวรณปรหายะเหล่านั้นละนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้แล้วเจตโสอุปกิเลเสปัญญะทุปะลีกรนเณซึ่งนิวรณ์ห้าประการนั้นเป็นอุปกิเลตของจิตมันทำให้จิตเศร้าหมองเป็นเครื่องประทุสร้ายปัญญาจนที่เราไม่มีปัญญามองเห็นความจริงนี่นะ เพราะมันมีนิวรณ์อยู่เพราะยังมีความชอบความชังมีความหดหู่ท้อแท้มีความลังเลสงสัยมีอคติเต็มใจอยู่แต่เมื่อใดที่มันละนิวรณ์ไปได้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นได้เห็นความจริงขึ้นเห็นไหมตัวนิวรณ์นั้นมันเป็นอุปกิเลสของจิตทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็กระทําให้หมดปัญญาถ้าเราเกิดความชอบคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นไง ไอคนที่เราชอบนี่มันดีมันถูกอยู่เรื่อยเป็นไงมีปัญญาไหมหมดปัญญานะ <c oughs> ถ้าคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบมันก็ผิดอยู่เรื่อยเป็นไงหมดปัญญาไหมหมดปัญญานะอย่างนี้ฉะนั้นพวกนี้ว์นี้มันจึงเป็นปัญญายะทุ ป, ปรีกรณีกระทาความสิ้นไปของปัญญาทําให้ปัญญาหมดไปนะครับเป็นอุปกิเลสของจิตทาให้จิตเศร้าหมองทาให้หมดปัญญานะ ทีนี้เรานั้นละนิวรณ์ทั้ง5ประการเหล่านี้แล้วซึ่งเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำลายปัญญาแล้วก็กล่าวถึงการเข้าฌานวิวิจเจวะกามหิวิวิจจะอกุศเลหิธรรมเมหิสงังอาจจากกามทั้งหลายแล้วสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขังปัทมังชานางอุปสมปั ช, ชวิหาสิงก็เข้าสู่ ปฐมฌานที่มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกมีวิตกและวิจาร์อยู่ต่อไปก็ฌานที่สองวิตกะวิจารานางวูปสมาเพราะการดับไปของวิตกและวิจารอัชตังสำประสานนางเจตโสเอโกติพาวังก็มีใจที่เป็นความผ่องใสในภายในมีจิตที่เป็นเอก เป็นสมาธิที่เป็นหนึ่งผุดขึ้นมาอาวิตกักกลางอวิจารังสมาธิชงังปีติสุขังทุติยังชางก็เข้าสู่ทุติยะานมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารต่อมาก็ฌานที่สามปีติสงบระงับไปฌานที่สีจิตเป็นอทุคมสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูนะ่ก็เป็นฌานระดับต่างๆนะให้พระอาหารหันต์มาเล่าท่านก็เล่าครบเลยแหลนะท่านได้มาครบแล้วเนี่ยนะพูดอะไรก็เต็มสมบูรณ์ทีเดียวเราก็ยังไม่เต็มก็ได้บางไม่ได้บางก็ขอล้นนิวรณ์ได้บางก็ยังดีเนาะฌนะานได้ฌานไหนอะไรไหนก็ว่ากันไปจนกว่าจะถึงอาหารหันต์ยังไงก็ต้องรู้หมดจนได้แหลนะอันนี้ท่านอาหารหันต์ท่านมาเล่าท่านก็เล่าไว้ ค, ครบเลยนะ อย่างนี้นะครับต่อไปท่านก็จะเล่าเรื่องการเกิดปัญญาของท่านซึ่งเป็นการเกิดปัญญาแบบอรหันนะก็คือถึงอาสวัคคยาญยาณสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายท่านไม่ได้เล่าถึงปัญญาระดับต้นๆที่เป็นโสดบันสกทาคามีอนาคามีแล้วเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าท่านเล่าเรื่องอรหันกันนะ่านะ น, นเราทั้งหลายก็ฝึกฝนถ้าฝึกฝนจิตมีธรรมะขั้นต้นคือ อริยะศีลอริยะอินทรีย์สังวร อ, อริยะสติสัมปัญญะแล้วก็มีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าทํากรรมฐานต่างๆละนิวรได้จิตมีสมาธิดูกายดูใจศึกษาสิ่งต่างๆก็เกิดปัญญาไปตามลําดับบางคนได้ฌานบางคนไม่ได้ฌานบรรลุธรรมไปตามลําดับเกิดปัญญาไปแต่ตอนนี้ท่านพูดแบบรวบนะก็คือพูดเรื่องสมาธิก็พูดฌานสี่ไปเลยเพราะว่าอารหันต์ท่านพูด แล้วพอพูดถึงปัญญาก็พูดอาสวัคคยานไปเลยนะนะครับต่อไปพูดเรื่องปัญญาซึ่งเป็นยานที่ทำให้สิ้นไปของอาสวะทั้งหลายย่อหน้าสุดท้ายนะครับอ่านพร้อมกันโสเอวังสมาหิเตจิตเตปริสุทธเเตปริโยดาเตอนังะเนวิคตูปกิเลเเส มุดุภูเตกรรมนิเยทิเตอาเนนชัปปเตอาสวาวนังขยายะ ข, ขยญายานายะจิตตังอภินินนามิสิงโสดังดุก ข, ขันติยะถาภูตังอพัญญสิงอยัยงดุขสมุตโยติ ยถาภูตังอภัญญาสิงอยังดุกขนิโรโทติยถาภูตังอภัญญาสิงอยังดุขนิโรทคามินีปฏิบดาติยถาภูตังอภัญญาสิงอิเมอาสวาติยถาภูตังอภัญญาสิง อายังอาสวะสมุดโยติยะถาภูตังอัภัญญาสิงอายังอาสวะนิโรโทติยะถาภูตังอัภัญญาสิงอายังอาสวะนิโรทคามินีปฏิปดาติยะถาภูตังอพัญยาสิงตัสสะเมเอวังชาณโต เอวังปัสโตกามาสวาปิจิตตังวิมุตติจิต tha ภวาสวาปิจิตตังวิมุตติจิต tha อวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติจิต t h วิมุตตส밍วิมุตตมิติญานังโหติอินาชาติวุสิตังพรามมจริยัง กะตังการณียังนาปรังอิทตายาติอภัญญาสิงเอวังโเมีอาวุโสชาณโตเอวังปัสโตอิมัตสม י นจะสวิญญาณเกกายะพระหิทธาจะสัพพานิมิตเตสุอหังการะมะมังการะ มานุสยาสุสมูหตาติตัสภิกขเวภิกุโนสาธุติภาสิตังอะพินันดิตตบังอะนุโมดิตตบังสาธุติภาสิตังอะพินันดิตตวาอะนุโมดิตตวาเอวามัสสะวจนีโย ลาพาโนโออาวุโสสุรัฐาโนอาวุโสเยมยังอายัสมันตังดาธิสังสัพรมจาริงสมนุปัสามาติาย่อหน้านี้ก็กล่าวถึงเรื่องปัญญาของพระอระหันต์แล้วเป็นญาณที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย โสเอวังสมาหิเตจิตเตปริสุทธเเปริโยดาเตเรานั้นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นอย่างนี้สมาหิเตจิตเตจิตเตก็เมื่อจิตสมาหิเตมีความตั้งมั่นปริสุทธเเทบริสุทธิ์ปริโยดาเตผุดผ่องอนังคะเนไม่มีกิเลส วิคตูปากิเลสเมีอุปกิเลตเครื่องเศร้าหมองของจิตหมดไปแล้วมุตุภูเตมีความอ่อนโยนกรรมมณิเยควรต่อการนำไปใช้งานทิเตมีความตั้งมั่นอาเนนชับปเตไม่หวั่นไหวนะเมื่อมีจิตอย่างนี้ก็คือจิตเป็นสมาธินั่นเองนะเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นอาสวานัง ขย้ายานายจิตตังอภินินนามีสิงก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดญาณให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเนี่ยการน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดอาสวะขย้ายญาณญาณที่ทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายทํำยังไงก็คือน้อมไปรู้อริยสัจไม่ได้ไปทําอย่างอื่นรู้ความจริง ฉะนั้นถ้าเราอยากถึงความสิ้นไปของอาสวะนะเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็อย่าเอาไปทำอย่างอื่นอย่าไปทำนั่นทานี่เล่นนะเพราะว่าจิตเวลาจิตมีสมาธิแล้วสามารถทำอะไรได้เยอะนะสามารถเห็นเทวดาก็ได้ท่าน้อมไปเห็นเทวดาถ้าอยากเห็นนรกก็น้อมไปทางนรกก็เห็นแต่มันก็เสียเวลานะถ้าจะเป็นไปเพื่อความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายก็ มองในแง่มุมของอริยสัจนะก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโสอิดังทุกขันติยถาภูตังอภัญญาสิงเรานั้นได้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้คือกายกับใจนี้เป็นตัวทุกนะเป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะกายก็ทุกใจก็ทุกเราเป็นไงบ้างเห็นไหมถ้ายังไม่เห็นก็ไม่อาสวัคยายานนะของเรานี่ แค่สุขบ้างทุกบ้างก็จะแย่อยู่แล้วเนาะบางท่านนี่ทุกเลยนะนี้ทุกคือกายกับใจนั้นทุกทั้งหมดเลยสุขก็เป็นทุกด้วยทุกก็เป็นทุกด้วยใจสงบก็ทุกใจฟุ้งซ่านก็ทุกอะไรทั้งหมดทุกหมดนี้ทุกอางทุกขะสมุทโยติยถาภูตังอภัญญาสิงรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยคือตัณหาอันก่อให้เกิดการกระทําใหม่ๆตัวความอยากต้องการ นี้ทุกขสมุทยัยอายังทุกขนิโรโทรติยะถาภูตังอภัญยสิงรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรทะคือความสิ้นของตัณหาอาเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสโคมุ ต, ติอนารโยอันนั้นทนะุกขนิโรธะคือพระนิพพานอายังทุกขะนิโรทคร า, า, รทามินีปฏิบดาติยาถาภูตัง อภัญญาสิงรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครบเกิดครบสมบูรณ์4ี่ครั้งแล้วท่านก็เห็นว่านี้เลยนะแจมแจ้งลงไปเลยอิเมอาสวายถาภูตังอภัญญาสิง์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เหล่านี้อาสวะอยังอาสวะสมุตโยติยถาภูตังอภัญญาสิง์ รู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสะวะสมุทัยเนี่ยจะสิ้นอาสะวะนี้ต้องรู้จากอาสะวะในแบบของอริยสัจนะไม่ใช่ไปเที่ยวละอาสะวะนะต้องรู้ตามที่เป็นจริงแล้วอาสะวะจึงจะละได้นะต้องรู้ในแบบอริยสัจอยังอาสะวะนิโรโทติยถาภูตังอภัญญาสิงรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสะวะนิโรธะ ายังอาสวะนิโรธคามินีปฏิปดาติยถาภูตังอัภัญญาสิงรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานะครับนี่รู้อาสวะอย่างนี้นะอาสวะจึงจะละได้จิตจึงจะพ้นจากอาสวะทั้งหลายรู้ทุกอย่างนี้รู้จึงจะพ้นจากทุกได้นะตัสเมเอวังชาณโต เมื่อเรานั้นรู้อยู่อย่างนี้เอวังปัสโตเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้แหละเห็นอยู่อย่างนี้แหละเห็นแบบนี้นะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหละนะแง่มุมของอ ร, ริยสัจนี่แหละกามาสวาปิจิตตังวิมุตติจตถะจิตก็หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะราวาสวาปิจิตตังวิมุตติจตถะจิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากภาวะ อวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติจตะจิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากอวิชชาสวะที่จิตหลุดพ้นนี่หลุดพ้นเพราะว่ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจิตมีสมาธิแล้วก็รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เวลาจิตจะบรรลุเขาก็จะบรรลุของเขาเองจะพ้นก็พ้นของเขาเองเหมือนที่ท่านบอกว่ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแม้จากอาสวะ จากกามาสะวะพระวาสะวะและอวิชชาสะวะหน้าที่ของเราคือให้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เข้าไว้นะวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วยานก็ได้มีขึ้นมาบอกว่าได้หลุดพ้นแล้วขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตายะอิติอภัญญาสิง เรานั้นได้เกิดความรู้อย่างนี้ว่าขีนาชาติชาติสิ้นแล้ววุิตังพระมจริยังพรมจรันอยู่จบแล้วกระตังกรณียังกิจที่ควรทาได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทัตายะกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนี่นะการเกิดปัญญาเป็นอย่างนี้หลังจากจิตมีสมาธิแล้วก็น้อมนำจิตไปเพื่อให้เกิดอาสวัคยยาญาณ ที่ทำให้ถึงความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายโดยการรู้อริยสัจทั้งสี่ตามที่มันเป็นจริงท่านก็สรุปว่าเอวังโขเมอาวุโสชาณโตเอวังปั ส, สโตดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อกระผมเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ยิมัตสมินจะสวิญญานเกกาเยไม่หิทาจะสับวะนิมิตเตสุ อาหางการะ ม, ะมังการมานานุสยาสุสัมูหาตาอาหางการะมะมังการและมานานุัยในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้และนิมิตทั้งหลายทั้งปวงภายนอกก็ถูกถอนขึ้นนะมันถูกถอนของมันเองนะโดยการรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นะอาหางการะมะมังการและมานานุใสในกายนี้ก็ถูกถอนขึ้นในสัพพานิมิต ภายนอกก็ถูกถอนขึ้นพระรูปนี้ก็พูดจบแล้วต่อไปเมื่อภิกษุท่านที่พยากรว่าตนเองอรหันต์เป็นอรหันต์จบไปแล้วพระองค์ก็แนะนำต่อไปนะต่อไปเป็นคำของพระพุทธเจ้าตัสสะพิกเวพิกุโนสาทูติฟาสิตังอภินันติตับังอานุโมทิตับังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย พึงชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิตธิของภิกษุนั้นว่าสาธุดีแล้วดีแล้วสาธุติภาสิตังอภินันติตวาอนุโมติตวาเอวมัตส่าวจนิโยครั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธของภิกษุนั้นว่าสาธุดังนี้แล้วก็พึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าลาภาโนอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุนับว่าเป็นลาบของพวกกระผมทั้งหลาย สุรัดทางโนอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุนับว่าพวกกระผมทั้งหลายนั้นได้ดีแล้วยเยมยังอายัสมันตังตาทิสังสะพรมมจาริงสะมนุปัสสามะเพราะว่าพวกกระผมทั้งหลายนั้นได้มาเห็นเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นดังเช่นท่านนี้ น, นับว่าเป็นลาบนับว่าได้ดีแล้วที่พวกกระผมได้มาเจอท่านเนยอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นนะหมายถึงว่า อย่างน้อยท่านก็ได้รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกท่านเป็นท่านก็เป็นประโยชน์ของท่านถึงจะไม่เป็นท่านก็ยังมีปัญญาขนาดสูงระดับที่เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้เห็นท่านนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฉวิโสธนะคือว่าเป็นเครื่องทำให้กระจ่างในหประเด็นสำหรับเรื่องว่าถ้ามีการพูดถึงว่าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหรือว่าพยากรณ์ ว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีในการที่จะชําระบอกวิธีที่จะทำให้กระจ่างในเรื่องนั้นๆถ้าตอบได้อย่างนี้ก็สาธุคือว่าดีแล้วดีแล้วอย่างนี้นะครับมีหกประเด็นด้วยกันนะโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเป็นประเด็นของการฝึกฝนมาตามลำดับเพราะว่าถึงเราจะเรียนเรื่องปัญญามาเรียนเรื่องทุก ทุกขะสมุทยัยทุกขะ น, นิโรธาทุกขะ น, นิโรธคาไม่หนีปฏิปทาแต่ว่าอาหารการมมังการมานานทุสัยมันก็ยังถอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะในการฝึกฝนอริยมรคมันไม่เกิดมันไม่มีขึ้นนะะหน้าที่ของเราก็ต้องฝึกฝนให้มันมีนะอย่างในสูตรนี้ก็บอกวิธีการปฏิบัติตั้งแต่ต้นมาทีเดียวแล้วก็สมบูรณ์ในตัวเองมันอยู่ที่เราฝึกอย่างเดียวแหละตอนนี้นะ พูดเรื่องศีลว่าเป็นยังไงบ้างพูดเรื่องการฝึกจนกระทั่งมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาเป็นยังไงบ้างตามลำดับอย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคอิดัมโมโจอภควาพระผู้มีพระภาคกันได้ตรัสฉวิโสธนสูตรนี้จบลงไปแล้ว อัตตมนาเตภิกขูภควะโตภาสิตังอภินันดุงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคฉะพิโสธนสุตตังนิติตังทุติยังชวิโสธนสูตรที่สองในคัมภีร์มัชฌิมานิกายอุปริปันธาต์พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ก็จบลงแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจก็มี ทำแปลให้อ่านนะท่านก็กลับไปอ่านทบทวนนะครับนะถ้าอยากรู้วิธีฝึกก็สูตรนี้ก็มีครบถ้วนทีเดียวนะทำตามนี้ได้เลยนะฝึกตามนี้ได้เรียงตามลาดับไปนะครับแล้วก็ถึงบรรลุเป็นอรหันต์เลยนะนะเพราะว่าอรหันต์ท่านบอกมาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รับรองว่านี่ต้องตอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนรู้จริงต้องตอบอย่างนี้ด้วยนะต้องบอกวิธีฝึกอย่างนี้ด้วย อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าววันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน